เป็นเทวดาเดี๋ยวเกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวเกิดเป็นสิงเป็นสราระสักทุกสิ่งภาษากว่าจะมาได้น เ, นเป็นพระพุทธเจา้าไม่ใช่เด็กไม่เทง่ายหรอกที่ว่าภาษาทีกะปัญญาธิกัปัญญาธิกะบภาษาที่ตาปัญญาทีกับปัญญาทีกันี่พระพุทธเจา้สาสร้างบารมีอย่างสี่อสงไข่นี่แต่ว่าถ้ายะรวมหมดเป็นยี่สิบอสงไข่นี่ทาำยึดในพระไถ่ว่า ขอเด็กต่งเป็นพระพุทธเจ้าได้ออกวางไม่ได้ไม่ผูเกเลยฝังออกวางแม่นึกอยู่ใจใจอย่างนั้นนะเจ็ดอสงไขยมาแต่กับและต่อมามาออกวางว่าพอระพุทธเจ้าขอพระพเจ้ า, า, าเด็กร่างเป็นพระพุทธเจ้ า, าได้ถ้าบุญอะไรก็ประทินานอีกเก้าอสงไขยเป็นสิบกแล้วและมาได้พยากรณ์พบพระพทุทธเจ้าโหขัยังได้เป็นพระพุทธเจ้ า, าในเมื่อนั้นเมื่อนั้นแล้วมีอีกสี่อสงไขยนับนอันนี้สี่อสงไขยนี่เราเอง อย่างพบพระพุทธจ้ามาห้าแสนพระองค์อย่างพระสัตยาธิกะที่ขึ้นไปชั้นกลางนั้นนึกอยู่ในพระไทยนั้นดูมืนสิบสีอสองไขยดล้มาออกอุทานว่าจะว่าจะเป็นมระวิญาอีก18อสองไขยอีก28อสองไขยแล้วมาได้พยาศพบพระพุทธญาพยากร อ, อีก18อสองไขยเป็นสี่สิอสงไขยอย่างพระวิ디ยาธิกะเทียมงปฏิญาณท่านสร้าง ทัานึกนในประทศไทยนั่นน่ะยีอสงไขยแล้วมาออกวาจาได้เหอีกาอสงไขยและมันได้พยากรณ์พบพระพุทธเจ้าว่าฉนันจะได้การใอีก16อสงไขยเตอจะมีริบหรสงไขยนี่กระดงก็บที่ไหนนะงัก็ไนระงนไกที่ไหนนี่เท็ที่ไหน ดิดิดไม่่องขันอุ้ยกระดูกนั่นน่ะมันดิ่งกว่าแผนดินข่าวพุเบนสูงแปดหมื่นตีพันโยชน่ะที่จะเก็บกระดูกน่ะโกรธข่าวพุทธเบนยังน้อยกว่ากระดูคนไอที่มันเป็นดินดินทางจะกรนดูกคนอ่ะมันชนิดหนึ่งต่างกระดูคนทีหลังแล้วทั้งตรวจดูทีตรวจไปถึงไอ้ไอ้เนื้อเนื้อเนื้อของเราของท่านเอง ที่เห็นว่าตายเกิดะไม่เกิดอนนีพี่สาวของมาน้าแล้วก็ตรวจดูแนเนื้อมันมากเลือกมันดนแขนนิ้ยังน้อยกว่าเนื้อที่เห็นว่าตายเกรดนะแล้ที่มาเป็นผู้หญิงนั่นน่ะไปไปชูเนื้อเขาบกวเป็นผู้ชายพี่สาวเมื่อใกล้จายนะเธได้บอกให้ระวังว่าฉันก็เป็นผู้ชายว่าไงเพศกับผู้หญิงนะ ไปถึชูเมียคร่าวไปตกในโลหกุญิตั้งแปดหมื่นปีเหมนกันขึ้นไม่งี้ว่าตั้งพันปีเป็นตัดข้าตอนไปรุ่ยยางห้าร <you> <im Yes. S 2> ้าตินะไปกระเทยแล้วมาเป็นตาบอดมันจะกำเนิดหูตัวนั้นน่ะอย่างละห้ารอยาติเดอนนี้เป็นผู้หญิงถ้าทำาไรเขาจะเป็นผู้ชายนะกกำลัปรารถนาเรื่องนันาปรารถนาเรื่องอยากจะเป็นผู้ชาย อันนี้โกมานุโบสถอยู่เสมอนี่ีดวเ็าด้ยังาาที่เกิดผีทรายเหมือนกันเหมกันททีกรรมนเกิในานีเอาบัเินบุญมาด้ีีไม่เนไปอื่นแล้วไม่รู้บุญรู้บาปมันทาร สางกันหมดกัต่างๆอย่างเยสุอย่างคามฮามัดนึงปฏิบัติหกประการนี่ถ้าเราไปได้เถอะเรก็หมดทุนทางใช่ไหมปฏิบัติหกประการนะ่ะการปิบัติอย่างหนึ่งชาติปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่ามาเลยตะกูลปฏิบัติประเทศปฏิบัติทิศิปิบัติอุปธิปีิบัติธรรมนัหกมิหลัเต็มที่เอ การวิบัตินั้ น, น่ะเวลาพระพุทธเจ้ามากราดเราไม่เกิดมาเกิดสวาส่างศาสนาที่พระพุทธเจ้ามากราดดำเนการวิบัติแล้วและไอชาติวิบัติพระพุทธเจ้ามากราดเรามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเป็นหมูห ม, มาปลาไก่เนยไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนะชาดวิบัติไอรกระดูกวิบัติกระดูกวิบัตินี่ พระพุทธญาณมากรับแต่เราไปเกิดในกระกูลอื่นกระกูลที่ถือนิฉชาทิติถ้ายังกระกูลที่ถือศาสนาคริสต์หรือแม้ศาสนาอิสลามนั่นไปที่ไม่ถือพุทธศาสนานี่เด็กกระกูลนี้บาดแล้วในทิฏฐิวิบาดหลังที่เกิดในที่พกระกูลถือพุทธศาสนาไปบินดีในประเทศอื่นใไรที่ศาสนาอื่นพวกไปคบเพื่อนเพื่อเขาชวนบินดีไปบวชในศาสนาอื่นสิทธิ ไอ้นี่เรียกว่าทิิททวิบัติไปเห็ น, นของของเขาดีกว่าพุทธศาสนาไอ้อุปธิวิบัตินี่เกิดในกระดูลถือพุทธศาสนาพ่อแม่ผู้ย่าทย า, ายอยู่แล้วบาใบเสียดิผิดมนุษย์เสแล้วไอ้นี่เรียกว่าทิฐิวิบัติก็อย่างเรานี่นะให้รู้เท่าว่าเราได้สมบัติทั้งหประการนี่นะการสมบัติเราเกิดมีการพุทธศาสนาเรียกว่าการสมบัติ แล้วเกิดเป็นมนุษย์ด้วยนี่เรียกว่าชาติสมบัติ ก, ก ร, ประปูนเราก็ถือพุทธาศาสนานี่ก็ได้กระปูนสมบัติและประเทศที่ถือพุทธาศาสนานี่เรียกว่าประเทศกสมบัติและมีความเห็นตามพุทธวจนะ น, นี่เรียกว่าทิฏฐิกสมบัติไม่บาบายเสียจะดีดผิดเป็นมนุษย์รู้ถามทุกอย่งญญาง น, นี่ก็เรียกว่าอุปธิสมบัติเราได้สมบัติหกประการ ในประเทศมิบนะัตรน่ะทีศาสนาพวกแผ่ผ่านไปไม่ถึงสิที่เราทำยังไงทนนี่จะมาเจอแบบนี้ไหนต้นนี่นหละที่เราเรามันบาเพนนี่เราจะไอ้คนนี้ที่จะจงให้เกิดในในฉบัตหกโอ้ได้แล้วฉบับหกตอไปอืมไอทีไม่เอานะ่ะเลยมัจุมลงไปในวิบัตหกเรื่อง <laughs> เราเย็บประมาทอย่างหนึ่งเท่านั้นนะทำความคาราวตาให้มากไอ้ทียจได้ไอ้ทียจไ ด, ไได้การสมบัตินิพุทธคาราวตาเคารพพระพุทธเจ้าอยู่เสมอจะได้ชาติสมบัติก็รมคาราวตาเคารพกระธรมอยู่เสมอจะได้ตระกูลสมบัติมีสั่งนักคาราวตาเคารพกระโลงเราจะได้ประเทศมีบาทศิษคาาคาราวตาเคารพสิกข้าววิไหนที่เรารักษาแล้วก็ มาทีาท้าีเดียวอาประมาตขาราตาเคารพในความไม่ประมาทนะเราจะได้มายัางมีทิฏฐิสมบัติเราเคารพในปฏิสันถานต้อนรับไอ้นี่ก็จะได้อุปถิสมบัติในการต้อนรับนี่นะเช่นใครไปมาเราก็ทําการปฏิสันถานต้อนรับนะหรือโดยที่สุดเช่อย่างพระอ่อนพันสาพระมาหาเทระมานี่ ก็ยังนอนอยู่ลุกขึ้นนั่งนะหรือเหยียดเท้าอยู่ขดเท้าอมานี่เราเรียวกว่าตอนรับแลรงปฏิสันดานตอนรับแรงไอ้นี่มันจะได้อุปธิสมบัติไม่บ้าใบสียรจริญเรือมันตันี้จะนําให้เราใบดีทั้งนั้นไม่ได้นําให้ไปชั่วไปเห็นใครเนี่ยนดนี้แหละนะสงสารสร้างสวิบัตกันทั้งนั้นและสร้างเท้าสร้าง ก็างันดเครื่องุงมก็ไม่สวยไเกิดบนานานลุงพาไม่เป็นบริมนทนไอ้นุงพาไม่เป็นบริมนทนนไปเกิดชนะได้เครื่องแตตัวไม่วยไม่งากุมยรองท้าไปท้าก็ไม่ามางน้ไม่ได้กันแล้วมอยากได้ยินในฟังหรบอกให้ก็ไม่เนั่นรางโไปเกิดชะโมเป็นควายู้างทั้งนั้นเนี่เราจะโง่หรือเราจะฉลาด มันได้จากราไม่ได้อย่างที่อื่นเรกผมภูมิใจตัวเองอยู่อย่างเ่าไปชาติหน้าเราต้องได้ดีอย่างแน่อยศผมทําไว้ทุกอย่างในเครื่องเหล่านี้เคารพพระพุทธเคารพพระธรรมเคารพพระสงฆ์เคารพพระธรรมนี่มาเช่นยังกาเราเดินลีทางเข้าไปนี่เคารพพระธรรมเหมือนกันนั่งยเยะมานั่งเยอะนั่งกระยั บ, บที่เคารพพระธรรมหรือได้ยินกล่าวนี่ปิดอ้อนน้อมนี่เคารพพระธรรม หรืปฏิบัติพ่อแม่เคารพประทงังเคารพประทังมากแท้ที่ยะจอบกระดุมเรื่องกตินี่ก็ทำไม่พอใชไอ้ความเคารพเมืนะ่ที่เราทํายังขวามีอที่เคารพรักใคร่ี่นั่เคารพประทังด้ไอ้ทคอยแตกราวอิจฉานิฏยาทะเาะไอ้นั้นทนนนลลหนทลายธรรมยิ่งเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งเอาใหญ่ถุกวันถูกคืนอธิษฐานเรื่อยทำโอวาลาอะไรต่ออะไรมา ไอสิ so ่งที่ชั่วร้ายนะ่นนะพุทธวายตัวทวายชีวิตวันพุทธทางทีพิางยาวนิพพานังงระังกรชั้นจังหวังทีทางยาวนิพพานนังงระนังกระชั้นจังหวงทีทางยาวนิพพานังงระนังก้นี่ถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าที่ดวงรับไปแล้วในอดีสิทุติยมืุทธางทีพิางยาวนิพพานังงระนังทระชั้นังังเนี่ทวายชีวิตกับเราพระพุทธเจ้าเี่ยรงกระชนอยู่ในเดืมนนี้ ต่ทยาในพุทธงีมีทางเจอกันทั้งตัยาทางพระมเวชีวิตกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่ยั ง, ย ง, ง, ง, ยยยงจะมาในข้างหน้าหลวพ่ที่เจา้าเนี้ยังนับทรงขายไม่ท้วนนะยังทรงประชนอยู่นะแต่อยู่ในจกักรวานทบอื่อนพบมีหลวพที่เจ้าโอ้ยม่ดูลนะสมมุติยังก็ ย, ย, กยังพ บ, บนี่ก็เพราะโลกพบมีกันที่ใหญ่เก็นเย็บปฏิบพบเรานี่ยไม่มีเลยัง ก็ยังมีงยังโผล่มาชนอยู่ที่จวนจะเขาริพานนั่งมีที่เพื่อได้การโพธิญาณใหม่ๆก็มีกต่างตามผมันน้อยไม่ไรนับประสงค์ไขไม่ท้วนไม่มีพระิทยาเลยก็มีทบที่ระิญยาเนี่ยมา้มังกรสังมีประสงค์ไขมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างก็ติดรอยเป็นพันติดพันเป็นหมื่นต่เป็นแสนติดแสนเป็นล้านติดล้านเป็นโก ร, รอยแสนโกดล้วเป็นตะกน ร้อยแสนประกอบเป็นโกติโกด์ร้อยแสนโกติโกด์เป็นนาหุตร้อยแสนนาหุดเป็นนินนาหุดร้อยแสนนินนาหุดเป็นหนึ่งนหุตหุดร้อยแสนหนูนาหุดเป็นเป็นพินทุร้อยแสนพินทุเป็นอภุ tha ร้อยแสนอภุ t h เป็นหนึ่งนิราพุทธ a ร้อยแสนนิระพุทธ a เป็นอะหะร้อยแสนอะหะเป็นอัะตะร้อยแสนอะตะเป็นอะภะร้อยแสนอภะภะเป็นโสขันติกะร้อยแสนโสขันติกะเป็น อุปละ ร, ร, ร้อยแสนอุปละเป็นปฐุมะร้อยแสนปฐุมะเป็นกมุทะร้อยแสนกมุทะเป็นโสคันติกะร้อยแสนโสคันติกะเป็นกคานะร้อยแสนคานะเป็นมหคัทนะร้อยแสนมหคัทนนะเป็นอสงไข่นะอสงไขยนะมาอย่างนั้น <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่อสงไขป่ปีอสงไขยเดือนนะที่พระพุทธเจ้าสร้างอสงไขยแสนกับถึงจะกับก็จะเกยก็ได้แต่มหากับมหากับแล้วก็อายุหกสิบปีกับ มหากัปหนึ่งแล้วก็เกิดเป็นนับเป็นหนึ่งมหากรัปนับเป็นสองพอิ้งเกิดทีก็น um ับทีนับทีแล้กระทั่งแสนมหากรัปแล้วนับเป็นหนึ่งทีนึ้นแล้วก็ไปอีกไปครบแสนมหากรัปแล้วนับเป็นสองครบแสนมหากรัปแล้วนับเป็นสามนี่แรอยมร้อยแสนมหากรัปพันแสนมหากรัปหมื่นแสนมหากัปแล้วก็แสนมหากรัปแสนมหากัปโกดแสนมหากัป ล้านแสนมหากราบเรื่อยไปคิดกระทักอสองไขยแสนมหากลับแล้วก็นับเป็นหนึ่งพื้นที่หนึ่งน้อยเมื่อไรเราถ้ามาคิดตอนนี้นะบออายุเราในชีวิตเรานะับพอไปจะโง่น้อยเมื่อไรถ้าเอา ว, ว่างานนี้โอกาสที่จะไปดูแจ้งไหทุกวันนี้แล้วเมื่อกลับนี้หายไปแล้วเกิดไปหลายครั้งใหม่กราบแล้วเกิดเป็นกราบใหม่อายุยืนหกจิตตกราบเหมือนกันอีกอสองไขยแสนมหากราบ อสงไขเพนินที่เกิดอพระพุธทธญาติมากัที่สององค์ระรามามตธรรมดัชาจากนั้นไปอีกแสนแผ่นดินมีพระพุทธญาตามากลัดอีกองชื่อพระธรรมสามีจากนั้นไปอีกหน่วอสงไข้เท่าไรนะถึงได้มีพระพุทธญาตามากลัดอีกขั้น้าที่พรพุทธญาติปราบมาเพีสิบองค์ที่บ้าเขาดูนักบุญบงแต่กลมไม่กลมกระทบว่า พระพุทธเจ้ากราบไปตั้งร้อยเหมือนกันแต่ว่าไอ้แบบแผนฉบับเหมือนหมดแล้วก็เหลือที่ไดกระ ล, ล่อมกระแลมมาก็ได้เคียงสิอง น, นั่นเองการกไปมากก็ยังกรพระเจ้าโกศนั้นก็ยังได้เป็นพระพุทธเจ้าชื่อพระธรรมราชาและและชื่อพระรามบัณฑิตนั่ยังได้เป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระรามมาแล้วต่อมาก็จากนั้นไปอีกอกส่งขายแผ่นดินและสยมามมากราสยามา น, นี่ตะโกนผากดำพระพุทธเจ้าภากดํา กันละอา ย, อย100นะุยืมแสนปี0 0เสมอนชือพระธรรมสัมมิจากนั้นพระนรกสีหะ ก, กับพระเทวเทศ อ, องพระเทวเทศนะั้นดึงหมื่นปีพระนรศสีหะนั้นแลพระรังสีมุนีพะนรศสีห์เริพระรังสีมุ น, น, น, นมี น, น่นะพระช น, นมาอายยืมได้หพันปีแล้วต่อไปจากนั้นก็โอเทยพรามที่โอเทยพรามี่มเกิดเป็นอเวจีไปเกิดเป็นมาไปเกินไอเวจีน่ะ จะได้เป็นพุทิยาคือพระนารสีหนะน่อยู่8แดมืปีและต่อไปจากนั้นสุภมานบลุกชายนี่เป็นพระพุทธสุภมานบลุกชายกันก่อายุยือแดมืนปีเหมือกันกายกระดูกสูงหกสิบสองเท่าไรสักกนะและต่อไปถึงในโตเทยพระมกรดและวองค์ที่แดนั่นทางนาลาทีนาลาคีนงชัวันนได้เ็นะเ้องค์นี้ทรงสวยนแลวสมีอลปย่าง และองค์สุดท้ายชื่อพระสมังคละปาช่างปาลีหลายหัตถีที่ปฏิบัติพระพุทธเจา้ยจายาชาตอ น, นั้นเป็นพระพุทธเจ้าชื่อพระสมังคละน่ะยืยุแสนปีองค์นั้นพระรามานี่มากกว่าปฏิอันปฏิอาน8ปด0 0ื่ปีนีแล้วต่อพระพระรามานั0 0 0้ปีพระธรรมราชานั้น่าห0 0หมืปีไปถึงพญามาคแสนปีไปถึงพระนาราสีหานะดูราหูอสุรินทราหูนั่นอายุได้หมื่นปีแล้วไปถึงพระ รังสีมุนีนั่นอายุยื้อห้าพันปีเนีต่อไปถึงเจ้ากนักรุ้ไหมครับอายุแปดหมื่ปีแปดหมื่นปีหลาองค์แต่ว่าช้างนาลาที่ช้างปลาลีลายนั่นน่ะอายุยืนอแสนปีคือประสุมาลกะ <c oughs> ในเรื่องนี้จะศูญทั้งหมดนะ <c oughs> มันจะสูญทั้งหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> มันมีอยู่ในหนังสือตัวคอมเท่านั้นในตัวไทยเดือนนี้ก็แหม่ไม่เคเอาซะแล้วเนี่ยมะไม่เอาจะทิศเผาก็เสดสังประมาตมะณะนาทียิงแล้วและต่อมาดูขายคัดค้านเล่นไม่เผาเราเนี่ยภูมิใจเลยว่ามาเกิดในพุทธศาสนาและรักษาวินัยไว้นีมันจะได้ประเทศสุบัติพระพุทธเจ้าของเราในนาทีพระองค์ต้องทานมุขหกปีไปประมาทพระพุทธเจ้าองค์ก่อนะเรากะพุทธประสบครับ เป็นโชติปาลังนบนันเกิดในยิชาทิถิไม่ได้เกิดในตระกูลถือพุทธศาสนานี่นี้เป็ได้เพื่อนดีเพื่อนในะชื่อกติการมโนบแล้วไปเป็นถามมาแด้นอนณาขาในเพื่อนกันวันหนึ่งไปอาบน้ำมาแล้วก็กติการมโนบก็ชวนเพื่อนว่าเพื่อนไปสังทำพระพุทธเจา้ากันเถอะพระพุทธเจ้า hmm. โชติปาลังมโนบแล้วก็ประมาทขึ้นว่าเอ้ยทำพิเศษอะไรยังมีสมณะหัวโลน จับมือไปในไาีจับชายวไปเถอะเอสมณะคตะจสมณะหัวโดนอันนี้นัเอาปิการไม่จับหมวยผมว่ไปเถอะนะเพื่อนไปฟังสักทีเถอะก็นื้ว่าเอจับเป็นเจคนสหายเราไม่เคยจับผมเราเลยนี่ถึงก็จับผม้วไปก็ไปเปล่าพอได้ฟังธรรมเท่านั้นเเกิดเดื่มสายบุศาสนาบในศาสนาก็จะเรนมก็ได้ฌานก็ได้ฌานดก็ถ่ายว่า พิจูโฉทิปาละพิจุนี้ต่อไปจากนี้อีกกัดหนึ่งจะได้เป็นพระุทิเจาชื่อว่าลักษณะโกดมถนายไล้ทุกคนเราจะได้บรรลุทางดีแส้ที่ต้องหกปีหกปีความประมาทนไปดูมินดูถูเขาไอความดูมินดูทูนี่ไม่ดีเลยนะถ้าเราูดูมินในใจเออบมหมูดสิูดเจะเขาชวนไว่าไปทน่ะ ธรรมะวิเศษอะไจมีในสมันสมณะโรดไม่ใช่โบรดเราดูอย่ในไม่่เป็นหนุกรรมหนุกรรมลาวไววาจากรรมันกายกรรมกายกรรม3วาจากรรม4มโนกรรม3มนี่นะมันกรใดกรรมนึ่งเอาเข้าน่ะเป็นต้องเลาะแลละพยายพระฉลาดเทวีที่แม่พระยาจุลนี แกทําได้วาจากวามเกิดเป็นแม่เป็เจ้าแผ่นดินไม่มีใครเรียบประพันปีตะคนอครั้งศาสนาพระธกระโดดนั้นแกก็บวชก็นลพระไม่รู้ละเทว่าแก่แล้วให้เป็นลงตานั้นจะบวชพระมหาเทต้ผู้เท่าพระชังเถอะเป็นลงตาเป็นสมบททางนั้นไม่รู้ใครเลียกนะเช่นยมพระนี้เป็นสามารถน่ะเรียกเท่ากัพระลงตาพระเด็กๆนี่กับพระนั้นหลวงพ่อในใหญ่กับพระลงตาเหลือง เกิดลงตานมาว่ามันเกิดเป็นแม่ป็นเจ้าเนดิ้วก็ใยยแก่ใครเองยแยกแยะองใครทัวนี่กูเป็นรพันปีหเป็นพันปีหรือปยีก็ช่างใหไปไรเรางเรียกมนวัเงเลยนะมันสร้างไว้ทางนั้นแหละเรานั่งนี่ก็สร้างเดินก็สร้างนอนก็สร้าง สร้า ง, งทุกอิเดียหมไปหายใจก็สร้างนี่หลวงพ่อเคยบอกว่าเขาตั้งไว้เสร็จแล้วไม่ได้ทิ้งคว่างไายและบัญชีธรรมไอ้บัญชีมนุษย์น่ะยังต้องจดกันบัญชีทิฏเทวดาต็อมาบัญชีธรรมไม่ต้องจดตั้งไว้ในนิพพานนะแล้ว ก, กับพิชตาทีนั่นติดในบัญชี ผู้ขำก็ติดในบัญชีผู้ดีก็ติดในบัญชีผู้ชั่วก็ติดอยู่ในบัญชีอย่าพระเน้นมาก่อนเมื่อธรรมกายแล้วก็พวกประทุเลวๆซ้าๆเน้นนะเรื่องที่ได้ธรรมกายอยู่ที่เล็กเล็กเล็กน้อยกว่านี้เราก็เหมือนกูบัญชีนะท่านเปิดขึ้นให้ดูเอาดูกันสิเน้นน้ำอยู่องค์ล่องแล้วผูกอย่างในทางธรรมกายนะตัเพื่อาไปบันทึกบนนอกให้แกดูแกคลาเก่งบอกผมนี่ต้องเข้าเซฟไปแน่ไปไหม มันไม่มีดีเลยในตำราไอ้ในบัญชีงผมมันมีแต่ชั่วแล้วมั่งชั่วเถี่อนดาเขามั่งเถื่อดูถูกดูมินเขามา่มีหมดในบัญชีบอกไม่เป็นอยัางนั้นนะไม่รู้มันอยากอยากทําไปอย่างนั้นไอ้ี่เรามันเกิดในเลิกไม่ดีในเลิกไอ้ที่เขาเลิกของมาเลิกที่ชั่วเขาพาไปในเลิกชั่วนี่ผมทุกคืนทุกวันทีเดียว ท่ถวยชีวิตอบพระพุทธระธรรมพระสงค์ขอตัองต้งกับทสมณะโคโลมคือไปก ร, ระมั่ต้นธาตุต น, นํามอง์ต้นเลยมีต้นต่อไปเนี่ยพระพุทธเจ้าที่แนนักคนก็ดีในปัจจุบันนี้ก็ดีขอให้คุ้มครองป้องกันข้าพุทธเจ้าให้เกิดตันในเริ่มงนายา ม, ด, ามดีเรื่องี่สานวรมีไ้เริ่อสขั้วยามราา้านนโคจะได้ไปบังเกิดเลยีอธิษฐานทุทกถือ โดนมนแพ้ผู้สนไปแล้วลางาวละอธิฐานรวไปเป็นพันนี้กับพระพุทธเจ้ายังโดนไปเป็นโจรได้โชคลักแล้วลวงข้าพนี่ที่ปะเทศนี่ก็มีพระองค์หนึ่งมาทูลลาในลาบวตลาศึกธรรมะขั้นสึกจะสึกซะล้วเป็นพวกผู้หญิงอยู่คนรักใครผู้หญิงอยากนนะเออหญิงคนนี้นะเอาชีวิตท่านไปแลกโจจะถีึงแล้ว เอาหัวท่านไป้วโยท่ทิ้งแล้วแล้วน่งเป็นยังไงพระเจ้ากวไว้พระองค์ก็เทนักครั้งหนึ่งก็จะพุทธทาสเวยสมบัติในเมืองพาราณสีนี้มีลูกคณะบณีคนหนึ่งเกิดในเลิกโยนเกิดในเลิกโยนพอออกมาก็พ่อแม่กันมากินแล้วชอบโชกลักล่อลวงตัหนแรงมาโตขึ้นโดกเป็นโจนไข่จับไม่ได้กำลังมากด้วยครั้นี้อีกครั้หนึ่งมาโดเขาจับได้จับได้ก็ก็ มัดมือไปหลังนี่รงไปถึงทางสาแงงและเขยนหลัง ท, ทุกทีเอาไอจุนคนอีกกะระโบนหัวอดอกชะบาทัดหูไปถึงทางสามแง่งและเขยนหลังทุกทีกินน้ำแพทย์ตยาหญิงแพทยตยาคนหนึ่งมันมีเงินมากมีเงินเป็นโกดโตเชื้อ น, นางสามาหนั้นเห็นโจรมารูปงาอย่างเทวดาเจ้านนี้ก็เลยให้าสาวใช้ไปบอกกันนายเนจะาค่ะว่าขอถ่ายพันตําลึง เราในโจนคนนี้เป็นหัวนเราเไม่อับผู้ชา ย, ยเขาจะพากันว่าไม่ได้หรอกโจนคนนี้ดีชือเสียง ด, งดังแต่อย่าเอาโจนนี้ได้ต่องหาคนมาเรียนอันนี้ลูกเศรษฐีคนหนึ่งก็มามาเอาเงินพันตำลึงให้นางนัง่นมานรวยงี้ถ้าใครจะไปนอยงมันแล้วต้องพันตำลึงอินทนร์ับเงินมาวางแล้วก็มือคิดหน้าร้องไห้ลูกเศรษฐีทำไมท่านถึงร้องไห้จะร้องไ ห, ห้ดือดร้ายว่าพี่ชายจนนินโจ้ เขาจับได้เขาจะดฆ่าเขาจะเอาเงินพันําลึง ไ, ไม่มีใครจะเอาไปให้ดูเศรษฐนะั่หมวนลงอีเกษตรยะเราเองเอาไปให้เอาเงินพันําลึงไม่ทีให้นางไปให้ขึ้นขึ้นยานไปเนี่ ย, า, ยานนั้นนวันนี้เป็นคันหามถ้ามันมีเครื่องปกปิดค้นนางไปในนั้นไปไปเจาา้าค่าแล้วก็เอาเงินไปให้ไปเจาา้าคาาไปให้แล้วก็มันเขียนคือไปนี่ว่านี่ยคนที่ถือเงินมานี่แล้วมาท่านจงรับ เงินเงินนี่ไปด้วยเศรษฐีข้าก็รู้อ๋อนี่เ้าเนี่ยก็ไปถอดโจรไม้ขึ้นสเสดงแล้วเอาไปจษฐีใสลูกเศรษฐีไปตัดทัวซะไปตัดทัวซะแล้วก็ทีนี้ก็ได้โจรมาก็ไม่รักผู้ชายใหญ่ะทีนี้เลิดเกินอยู่กับไอโจรนั่นแหละไอของรับโจรดีนี่ทีนี้ต่อมาโจรนี่ใส่โจรจะต้องข่าเจ้าเอาของถึงจะนั้น ก็ทำซึ้ ง, งยังก็ไม่ทุกร้อนเมียกระถามเป็นนานี่เป็นนายถึงได้เป็นทุกร้อนเมือดเขาจับนั่นน่ะได้บนที่ได้บนเลยที่ปากเหว้นั่นว่า <c oughs> ไม่ใช่โจนนั่นคิ้จะแค่นางนั่นเอาเครื่องประดับคราวนี้ก็พานา น, นั้นลงไปสวนดอกไม้สวนเดิมไม้ก็เกดนางเกอดรัดคอจะตาย ตายแล้วเาเครื่องกดไปเครื่องกระดับไปขาดเลยเออนางนี่มไม่ตายเปนมาึมาก็อะไรโจนนั่เหลือกลังาทไมจะพบลไม่รับผู้ชายอื่นแโจนี่น่ะเป็นที่เลินเจริญใจของตัวนี่ทีนี้เอาเงินพันตำลึงเรกไอ้พวกเต้นรำมาว่าท่านเต้นรแลทร้องเพลงอย่างนี้วงเกอดเจ้าในผู้ฉบ้าแดงเป็นยังงยังไงยงนะทว่า หัวเราอยู่ที่ไหนแล้วก็จะมาถามถามคนนั้นแล้ท่านถาตัวให้เราเราจะให้อีกคนละพันตําดึ่งไอ้พวกเล่นนะก็ไปเที่ยวไปบ้านนอกหกนาไปประเทศชนบทก็ไปก็ไปร้องเพลงนั้นก็จนได้ยินเขาด่า ก, ก็มาถามวา่ามี่ใครให้ท่านผูกให้ท่านร้องบอกชื่อนาสามานี่ท่านเป็นหัวน้าานออานนําสามาน้องซึ่เราลุงโบนะสามานะสามาเขาจะให้แต่ว่าพกท่านเลยให้เทินก็น อนานาสม า, ย, ม า, ย, มา ย, ยังไม่ตายเฮ้ยยังไม่ตายอย่เราต้องหนีไปอีกรูกลัวหรือกําลังโจนตายจะอีกกนนีนางสมานั่ น, น, น, นก็ปลอมใจตายไม่ได้โจนเท่คนนี้พระบุตรยาบอกพ่คุว่าพิคุนางสาวมาไม่ใช่ใครคือหญิงที่ทนักนี่แหละและลูกเศรษฐีที่ถูกตะทวนนั้นคือท่านเนี่ยโจนนั่นคือเราธนากุศ จากนั้นเลยกลัวาก็ไม่สึกอยู่จะได้โสดานันก็เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ว่าไงมีู่้กลเธอกดในเรื่องช่วยยามร้ายเกิดในเรื่องงานยามดีแล้วมาก็เรากยาะสร้างบุญสร้างบารมีี่มันอดไม่ได้นี่ก็หลังที่ใครพวกเราในหมดด้กันนี่แหละคงมีทุกคนไอ้ที่ไม่ดีนี่ไม่อยากไม่ชอบอยากแต่มันอยากไปทานั่นเรื่องอะไรเราไปเกิดไอ้เรื่องนั้น